วงเล็บหนึ่งบาดเหล็กวงเล็บสองบาดดินเผาบาดมี3ขนาดคือวงเล็บหนึ่งบาดขนาดใหญ่วงเล็บสองบาดขนาดกลางวงเล็บสบาดขนาดเล็กที่ชื่อว่าบาดขนาดใหญ่จุกข้าสุกจากข้าวสารสองนานจุของเคี้ยวเศษ1นส่วนสจุ ก, กับข้าวพอสมควรแก่ข้าวสุกนั้นที่ชื่อว่าบาดขนาดกลางจุกข้าสุกจากข้าวสาร1ทนาน จุของเคี้ยวเศษ1นส่วนสจุ ก, กับข้าวพอสมควรแก่ข้าวสุกนั้นที่ชื่อว่าบาทขนาดเล็กจุข้าวสุกจากข้าวสารครึ่งทนานจุของเคี้ยวเศษ1นส่วนสจุ ก, กับข้าวพอสมควรแก่ข้าวสุกนั้นบาทที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นเป็นบาทที่ใช้ไม่ได้บาทมีขนาดเล็กกว่านั้นก็เป็นบาทที่ใช้ไม่ได้ คำ ว, ว่าทําการสะสมคือบาตรที่ไม่ได้อธิษฐานไม่ได้วิกับคําว่าบาตรเป็นนิสกีความว่าบาตรเป็นนิสกีพร้อมกับอรุณขึ้นคือเป็นของจําต้องสละแก่สงฆ์แก่คณะหรือแก่ภิกษุณีรูปหนึ่งภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุณีพึงสละบาตรที่เป็นนิสกีอย่างนี้